ชีวิตของพวกเหานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายกับจิตใจร่างกายนี้เป็นส่วนที่ไม่สาคัญเท่ากับจิตใจจิตใจนี้เป็นส่วนที่สาคัญกว่ายิ่งใหญ่กว่า นางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานสิ่งที่สำคัญอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจเพราะจิตใจนี้มีปรมาณฤทธิ์ถ้าเป็นภาชนะก็เป็นภาชนะที่ใหญ่กว่าภาชนะ ของร่างกายที่จะรองรับความสุขความทุกข์ได้มากกว่ากันถ้าเปรียบเทียบร่างกายภาชนะที่รองรับของร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนตุ่มน้ำส่วนภาชนะที่รองรับความสุขความทุกข์ของใจนี้ก็ขนาดสะน้า มีความใหญ่โตมากกว่าตุ่มน้ำเราจึงควรที่จะหาความสุขให้กับใจให้มากกว่าการหาความสุขให้กับร่างกายความสุขของร่างกายนี้อยู่ที่การมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ คือมีอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคถ้ามีปัจจัยทั้งสีน่นี้ครบแล้วก็ถือว่ามีความสุขเต็มที่แล้วคือความสุขที่จะรองที่ตุ่มน้ําขนาดตุ่มน้ําจะรองรับได้ความสุขของร่างกายมีเพียงเท่านี้ ถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่านี้ต้องมาเติมความสุขให้กับใจแล้วจะได้รับความสุขมากกว่าที่มีอยู่ถ้าเรามีปัจจัยสี่ครบแล้วเราจะเพิ่มปัจจัยสี่ให้มีมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มความสุขให้มากไปกว่า ภาชนะที่จะลองรับความสุขของทางร่างกายได้เหมือนกับถ้าเราเติมน้ำเต็มตุ่มแล้วต่อให้เราไปเติมอีกกี่ร้อยครั้งกี่ร้อยเท่าน้ำก็จะได้เท่าเดิมคือได้ขนาดตุ่มน้ำความสุขทางร่างกายมีเพียงเท่านี้คือมีปัจจัยสี่พอเพียง ก็จะได้ความสุขเต็มที่สําหรับร่างกายเราให้มีบ้านสิบหลังหรือมีบ้านหลังเดียวมันก็มีผลเท่ากันกินอาหารราคาแพงแพงแล้วกินอาหารราคาถูกถูกถ้ามันอิ่มมันก็มีผลเท่ากันดังนั้นเราไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาปัจจัยสี่ ที่แพงๆที่หรูหราที่มากกว่าความต้องการของร่างกายเพราะจะไม่ได้ความสุขมากไปกว่านั้นดังนั้นความสุขทางร่างกายของมหาเศรษฐีกับคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้มีเท่ากันจะมีบ้านราคาร้อยล้านหรือเท่าบ้านอยู่มันก็มีความสุขได้เหมือนกัน แต่รับประทานอาหารข้างถนนหรือรับประทานอาหารในโรงแรมมันก็อิ่มเหมือนกันจะใช้ซื้อเสื้อผ้าจากตลาดนัด้นหรือไปซื้อเสื้อผ้าจากศูนย์การค้ามันก็เป็นเสื้อผ้าสวมใส่เหมือนกันทาหน้าที่ปกป้องรักษาร่างกายได้เหมือนกันจะรักษาร่างกายด้วยการรักษา โรงพยาบาลของราชการรักษาสามสิบบาททุกโรคหรือไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนมันก็รักษาได้เหมือนกันหายได้เหมือนกันถ้าไม่หายก็ตายได้เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่หมอหรืออยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่ยามันอยู่ที่โรคถ้าโรคเป็นโรคชนิดที่ รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายไปรักษาที่ไหนมันก็เหมือนกันอันนี้เพื่อจะใหค้ความเข้าใจว่าเราอย่าไปเสียเวลาเสียเงินเสียทองให้กับการหาความสุขทางร่างกายมากจนเกินไปหาปัจจัยสี่แบบธรรมดาธรรมดาให้กับร่างกายนี้ พอแล้วได้ความสุขเต็มที่แล้วถ้าอยากจะได้ความสุขมากกวา่านั้นจำเป็นที่จะต้องมาหาความสุขทางใจใจนี้เป็นภาชนะที่ใหญ่ขนาดสะน้ำสามารถบรรจุความสุขได้มากพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราเ้าวัดกันเพื่อที่เราจะได้มา หาความสุขทางใจกันเพื่อเราจะได้เพิ่มปริมาณความสุขให้มีมากขึ้นได้ถ้าเราไปหาทางร่างกายความสุขปริมาณก็จะเท่าเดิมถ้าเราต้องการให้มันมีมากขึ้นไปกว่าที่มีอยู่เราต้องมาหาความสุขทางใจกันมาเติมความสุขทางใจกัน เช่นเดียวกับความทุกข์ก็เหมือนกันความทุกข์ของทางร่างกายก็มีปริมาณเท่าตุ่มน้ำแล้วความทุกข์ทางใจก็มีปริมาณเท่าสระน้ำเหมือนกันถ้าเราสร้างความทุกข์ถ้าเราเจอความทุกข์ทางร่างกายมันก็จะทุกข์ได้เพียงระดับตุ่มน้ำถ้าเรา มีความทุกข์ทางใจมันก็จะมีความทุกข์ระดับสะน้ำเวลาที่เรามีความทุกข์ทางใจนี้ความสุขทางร่างกายนี้จะไม่สามารถที่จะมาต้านหรือมาสู้กับความทุกข์ทางใจได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีความทุกข์ทางร่างกายแต่เรามีความสุขทางใจความสุขทางใจนี้สามารถที่จะกรบ ลบความทุกข์ทางร่างกายไปได้คนที่มีความสุขทางใจอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันต์ท่านจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของทางร่างกายเลยเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายไปใจของท่านไม่เดือดร้อนเลยเพราะใจของท่านมีความสุขที่ มีน้ำหนักมากกว่าความทุกข์ของทางร่างกายเองทาให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะอยู่จะตายนี้มันเท่ากันความสุขทางร่างกายก็ไม่มีผลมากนะักความทุกข์ทางร่างกายก็ไม่มีผลมากนะักต่อความสุขของผู้ที่มีความสุขทางใจอย่างเต็มร้อยอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านจึงสงสอนให้พวกเรามาสร้างความสุขทางใจกันแล้วมาดับความทุกข์ทางใจกันดีกว่าดีกว่าไปสร้างความสุขทางร่างกายแล้วไปดับความทุกข์ทางร่างกายเพราะมันเป็นส่วนย่อยเป็นส่วนน้อยไม่มีผลกระทบมากเหมือนกับความสุขความทุกข์ทางใจความสุขความทุกข์ทางใจก็เกิดจากการ ทำสิ่งที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้ทุกวันนี้เรามักจะสร้างความทุกข์ทางใจขึ้นมาโดยความหลงหลงคิดว่าถ้าเรามีอะไรมากๆแล้วเราจะมีความสุขมากแต่มันกลับกลายเป็นความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราได้มามากๆนั้น มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปนานสักเท่าไหร่เราก็ไม่รู้มันจะหมดไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เวลามันหมดมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นการสร้างความทุกข์ทางใจโดยคิดว่าเป็นการสร้างความสุขคิดใช่ว่าการมีเงินทองมากๆาก มียศมีตำแหน่งสูงสูงมีคงยกย่องสรรเสริญเยือนยอมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายจะทำให้มีความสุขมากแต่ลืมไปว่าสิ่งที่สิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่มีวันจากเราไปได้เวลามันจากเราไป มันก็เป็นเวลาที่สร้างความทุกข์ให้กับเราและขณะที่มันอยู่กับเรามันก็สร้างความกังวลให้กับเราสร้างความอยากให้กับเราอยากให้เรามีมากมากขึ้นไปเพื่อจะได้ไม่มีวันหมดมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราให้เราดิ้นหาสิ่งต่างๆมาเพิ่มมากขึ้น แล้วพอมีมากขึ้นก็มีความรักมีความหวงมากขึ้นมีความกังวลมากขึ้นแล้วเวลาที่สูญเสียไปก็มีความทุกข์มากขึ้นนี่คือการสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราที่ทำให้ความสุขของทางร่างกายของเรานี้ไม่ค่อยมีความหมายอะไรเรามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์กัน แต่เรากลับมีความทุกข์มีความวุ่นวายจ่ายกันเพราะเราไม่มาสร้างความสุขให้กับใจแต่เรากลับมาสร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยการกระทําในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขแต่ความจริงมันเป็นความทุกข์ก็คือการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเิ่นกายนั่นเอง นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะกระทำกันถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ทางใจเราอย่าไปหาราบยศสรรเสริญอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสถ้าเราอยากจะมีความสุขทางใจให้เรามาหาธรรมะกันให้เรามาหาบุญหากุศลกันเพราะบุญกุศลนี่แหละที่จะเป็น ตัวที่สร้างความสุขให้กับใจเพิ่มความสุขให้กับใจให้มีมากขึ้นไปจนมีเต็มร้อยให้มาหาความสุขทางใจด้วยการมาทำทานด้วยการมารักษาศีลด้วยการมาภาวนานี่คือวิธีสร้างความสุขทางใจและก็ละความทุกข์ทางใจ คือแทนที่จะไปหาเงินหาทองให้เรามาแจกจ่ายเงินทองดีกว่าอย่ามีมากเกินไปเก็บไว้พอต่อความต้องการของร่างกายก็พอแล้วมีมากไปกว่า น, นั้นก็จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความกังวลใจต่างๆขึ้นมาให้เอาเงินเหล่านั้นไปทำทานแล้วจะได้ ความสุขทางใจจะทําให้เราไม่ทุกข์ไม่กังวลกับเรื่องข้าวของเงินทองต่างๆเพราะเราไม่ต้องพึ่งพาอาศัยข้าวของเงินทองมาให้ความสุขกับเราเพราะเราเห็นโทษของมันว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขเราจึงไม่ต้องการอาศัยเงินทองมาเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆให้กับเรา เพราะความสุขที่เราได้นั้นก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวๆ เ, เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้หรือเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเท่านั้นเองพอได้มาแล้วทำไปแล้วความสุขนั้นก็หายไปหมดไปงนั้นเราไม่ต้องการที่จะหาความสุขปลอมกัน เรามาหาความสุขจริงกันดีกว่าด้วยการทำทานด้วยการทำบุญเอาสมบัติเข้าของเงินทองนี้มาแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นมาช่วยเหลือผู้อื่นจะให้กับวัดก็ได้ให้กับโรงเรียนก็ได้ให้กับโรงพยาบาลก็ได้ให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้ ให้กับรัฐบาลก็ได้ให้กับประเทศชาติก็ได้ให้ไปเพื่อที่จะทำให้เรานั้นไม่ต้องพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขให้ไปเพื่อให้เราได้เกิดความสุขความทางใจขึ้นมาที่เป็นความสุขที่จะได้เพิ่มจากความสุขที่เราได้จากการมีปัจจัยสี่ พอเรามีปัจจัยสี่ครบแล้วเราได้ความสุขทางร่างกายเต็มร้อยแล้วถ้าเราอยากได้มากความสุขมากกว่านั้นเราต้องเอาเงินทองที่มีเหลืออยู่นี้ไปทําบุญเสียแล้วเราจะได้ความสุขเพิ่มขึ้นไปแต่ถ้าเราเอาเงินทองไปทํามาหาไปลงทุนไปหาเงินเพิ่ม อันนี้จะทำให้เราเกิดความทุกข์ใจมากขึ้นไปเพราะว่าถ้าลงทุนไปแล้วไม่ได้กำไรขาดทุนก็หมดไปก็ทุกข์ถ้าได้มาก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆได้มาแล้วก็ต้องมากังวลแล้วก็ต้องมาอาศัยการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆ ที่เป็นความสุขปลอมที่เป็นความสุขเดียวๆเราจึงควรที่จะหยุดการไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงเกิ่นลดกันให้มาหาความสุขทางใจด้วยการทำทานกันเราทำทานได้เราก็จะได้ความสุขเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเราอยากจะได้มากกว่าความสุขที่ได้จากการทำทาน เราก็ต้องรักษาศีลรักษาศีลห้าได้ er เราก็จะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการทำทานเราก็จะได้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการรักษาศีลห้าก็ให้รักษาศีล8ปดถ้ารักษาศีล8ได้ก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปอีก แล้วก็จะทาให้เราสามารถไปหาความสุขที่สูงกว่าสีแปดได้ก็คือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิความสุขที่ได้จากการเจริญสติพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเรารักษาสีแปได้เราก็จะมีเวลาว่างมีเวลาที่จะให้เราไป ปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้คิดปรุงแต่งพอเรามีสติที่มีกำลังที่สามารถยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ใจก็จะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบพอใจสงบก็จะได้ความสุขเต็มร้อย เป็นความสุขเต็มที่ที่ใจจะสามารถหาได้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้นี่คือวิธีการสร้างความสุขให้มีมากขึ้นในชีวิตของวกเราต้องมาสร้างความสุขทางจิตใจกันความสุขทางร่างกายมันเต็มแล้วเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วก็ถือว่าความสุขทางร่างกายมีเพียงเท่านั้น ถ้าไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวๆได้มาแล้วมันก็หายไปแล้วก็ทำให้ติดติดพันต้องหาอยู่เรื่อยเวลาได้มาแล้วหายไปแล้วก็ต้องกลับไปหาใหม่เช่นเมื่อวานนี้ไปเที่ยวมาเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวมาตอนนี้มันก็หายไปหมดแล้ว เดี๋ยวคืนนี้ก็อยากจะออกไปเที่ยวใหม่อีกเพราะมันเป็นความสุขปลอมแล้วถ้าไม่ได้ไปเที่ยวมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราจึงควรเหลกเลี่ยงวิธีการหาความสุขแบบนี้อย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงจิตลดผลทพะให้มาหาความสุขจากการทำทาน จากการรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดจากการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไปทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับสลับกับการเดินสลับกับการนั่งเดินจงกรม ก, ก็พุทโธพุทโธไปนั่งหลับตาก็พุทโธพุทโธไปใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าพบกับความสุขที่สูงสุด ความสุขที่เต็มร้อยคือความสุขที่เกิดจากความสงบเพียงแต่ว่าความสุขที่ได้จากการเดินจงกลมนั่งสมาธินี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นมันจะสุขขณะที่จิตสงบตั้งอยู่ในสมาธิแต่พอถอนออกจากสมาธิมาพอมาเริ่มคิดปรุงแต่งความสุขนั้นก็จะจางไป ถ้าคิดไปในทางความอยากต่างๆความสุขก็จะเริ่มจางไปเพราะจะเกิดความ ก, ากาังวลก歪เกิดความหงุดหงิดเกิดความลำคาญใจจึงต้องทำให้ไปทำสิ่งที่อยากจะทำเช่นอยากจะดื่มก็ต้องไปหาอะไรมาดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็ต้องไปหาอะไรมารับประทานถ้าปล่อยให้ไปทำตามความอยาก ความสงบความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปผู้ปฏิบัติถ้าไม่ต้องการที่จะให้ความสุขที่เกิดจากความสงบหายไปก็ต้องใช้ปัญญาเจริญปัญญาให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้มันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นการไปเติมความสุขเป็นการทำลายความสงบที่เราได้ ความสุขที่เราได้จากความสงบเราต้องไม่ทำตามความอยากถ้าเราไม่ทำตามความอยากแล้วความหงุดิบความรำคาญใจเดี๋ยวมันก็หายไปหายไปแล้วใจก็จะสงบเหมือนเดิมอันนี้คือวิธีที่เราจะรักษาความสุขใจที่สูงสุดได้ให้อยู่อย่างทาวรได้ต้องใช้ปัญญา คอยสอนใจคอยห้ามใจไม่ให้ไปทําตามความอยากเวลาอยากจะดื่มอะไรขอให้เราเห็นว่าเป็นเหมือนกับการดื่มยาพิษก็แล้วกันถ้าเรารู้ว่ามันเป็นยาพิษเราก็จะไม่อยากดื่มถ้าเวลาเราจะไปทําอะไรที่ไหนขอให้เราคิดว่าไปแล้วจะถูกลูกระเบิดจะถูกเขายิงตายก็จะไม่อยากไป ต้องให้เห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจไม่ได้เป็นประโยชน์สุขแก่จิตใจเพราะมันจะทำลายความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธินั่งทาใจให้สงบสู้เราอย่าไปทําตามความอยากดีกว่าแล้วเรากลับเข้าไปสู่ความสงบจะดีกว่าพอใจสงบแล้วเราก็จะมีความสุข ถ้าเราไปทาตามความอยากเราก็ได้ความสุขชั่วคราวขณะที่เราได้ไปได้ไปเสพได้ไปสัมผัสก็เกิดความสุขแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปพอจางหายไปก็จะเกิดความอยากที่จะไปหามาใหม่ก็จะทำให้หงุดหงิดลำคาญใจไม่สบายใจถ้าไม่ได้ไปทาตามสิ่งที่อยากจะทำถ้าเราสามารถ ทำลายความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากมันก็จะหายไปมันจะไม่โผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมามันก็ไม่สามารถที่จะชวนเราไปทำในสิ่งที่มันอยากจะทำได้ต่อไปมันก็ไม่มาหาเราไม่มาชวนเราพอไม่มีความอยากมาชวนเราใจของเราก็จะก็จะสงบไปเรื่อยๆสงบไปตลอดมีความสุขไปตลอด นี่คือวิธีสร้างความสุขทางใจเพิ่มความสุขที่เรามีจากทางร่างกายให้มีมากขึ้นไปถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากการมีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์นั้นเราต้องไปหาความสุขทางใจคือไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปภาวนาอย่าไปหาความสุขเพิ่มด้วยการไปหาลาบยศสารแสน หารูปเสียงกิ่นลดมาเสพเพราะมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเหียวเดียวแล้วมันก็จะทำให้เรามีความอยากจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะหามาเรื่อยๆหามาได้พอหมดก็ต้องหาใหม่ไม่หมดก็อยากจะให้มีเพิ่มมากขึ้นก็จะหาอยู่เรื่อยๆเวลาหาไม่ได้ก็เสียอกเสียใจทุกข์ใจทรมานใจ เวลาสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็เสีย อ, อกเสียใจทุกข์ทรมานใจบางครั้งถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายอย่างเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีผู้มาฟังธรรมท่านหนึ่งก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะสูญเสียในตาไปข้างหนึ่งมีตาอยู่สองข้างแต่เสียไปข้างหนึ่งเหลืออยู่ข้างเดียวก็เกิดความทุกข์ทรมานใจมาก อยากจะได้ดวงตาที่เสียไปกลับคืนมาแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำได้ก็อยากจะคิดข้าวตัวตายนี่คือความทุกข์จากการที่เราไปหาความสุขผ่านทางร่างกายความสุขทางร่างกายมันมีขอบเขตแลวมันเป็นความสุขปลอมแล้วก็เป็นความสุขชั่วคราว พออวัยวะของร่างกายเริ่มชำรุดทุดโทรก็จะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจจนถึงกับไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปคนที่เป็นคนคนเป็นพิกลพิการเป็นอัมพึกอัมาพาตเป็นหูหนวกเป็นตาบอดนี่บางทีก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไป ก็ไม่สามารถหาความสุขจากทางร่างกายได้แล้วก็ไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจถ้าคนที่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจรู้จักวิธีทําใจให้สงบรู้จักวิธีใช้ปัญญาคอยกําจัดตัณหาความอยากต่างๆก็จะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ทางร่างกายจะสามารถ อยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือเพราะสามารถหาความสุขทางใจได้ด้วยการมีสติมีปัญญาที่จะรักษาใจให้สงบอยู่ตลอดเวลาใจสงบนั้นจะทำให้เกิดความสุข ที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่ถาวรเพราะถ้าเรารู้จักวิธีรักษาแล้วเราก็จะสามารถรักษาให้มันอยู่กับใจเราไปได้ตลอดแต่ความสุขทางร่างกายนี้เราไม่สามารถที่จะรักษาให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปเวลาสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักไป ความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนันก็หายไปก็เหลือแต่ความทุกข์ใจถ้าเครื่องมือที่ใช้หาความสุขคือตาหูจมูกนิ้วกายชำรุดไปเสื่อมไปหรือหมดสภาพไปความสุขก็หมดไปก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความอยากที่จะต้องไปหาร้างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ พอยังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมุกเล่นกายอยู่พอร่างกายเก่าตายไปมันก็จะดึงใจให้ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ก่อนจะไปเกิดใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้ก่อนถ้าเป็นผลบาปก็ต้องไปเกิดในอบายก่อนไปอยู่ในอบายก่อนถ้าเป็นผลบุญก็ไปอยู่ในสวรรค์ก่อน แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่ก็ต้องมาดินน้นรนมาหาความสุขทางร่างกายกันใหม่แล้วเวลาเสียไปก็มาเสียอกเสียใจกันใหม่มันก็เป็นการเดินเข้าหาความทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ทำตามวิธีที่พระเ จ, จ้าได้ทรงกระทำก็คือให้มาหาความสุขทางใจกัน มาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันจนใจของเรานี่มีความสุขเต็มร้อยมีความสุขที่ถาวรเมื่อมีความสุขที่ถาวรเต็มร้อยแล้วเราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขทางร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ไม่ต้องมาพัดพากจากกันใหม่ ไม่ต้องมาดิ้น้นต่อสู้หาสิ่งต่างๆเพื่อมาให้เรามีความสุขกันใหม่เพราะเรามีความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือการสร้างความสุขทางใจเป็นสิ่งที่สาคัญกว่าการสร้างความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายก็สร้างให้มันเต็มที่แล้วก็พอ ความสุขทางร่างกายเต็มที่ก็คือการมีปัจจัยสี่พอเพียงมีอาหารรับประทานวันละมือ้อมีที่อยู่อาศัยหลบแดดหลบฝนได้มีเสื้อผ้าสักสองสามชุดไว้สวมใส่มียารักษาโรคในายามเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรามีเท่านี้เรามีความสุขเต็มที่แล้วทางร่างกายอย่าไปหลงไหลกับความสุขปลอม ที่เราได้จากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นเหมือนกับการไปเสพยาเสพติดนั่นเองเสพแล้วเดี๋ยวมันก็ติดติดแล้วก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆเวลาไม่ได้เสพก็เวลาก็จะทุกข์ทรมานใจนี่คือทางที่ไม่ควรไป ทางที่ไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนกับการไปหายาเสพติดนาเสพพยายามฝืนพยายามใช้ปัญญาสอนใจว่าอันนี้เป็นทางสู่กองทุกข์ไม่ได้ไปทางสู่กองสุขทางสู่กองสุขต้องไปทางวัดทางสถานที่สงบสงัดวิเวก ไปทำทานไปรักษาศีลไปภาวนาอันนี้จะนําความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่มาให้แก่ใจที่จะอยู่กับใจไปตลอดแล้วจะทําให้ใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธเจ้า ม, มาทรงสั่งสอนความจริงอันนี้พวกเราก็จะไม่มีวันรู้พวกเราก็จะเป็นหลงกับการ หาความสุขทางร่างกายหาปัจจัยสี่แบบไม่มีขอบไม่มีเขตหาอาหารมารับประทานกันจนร่างกายนี้อ้วนกายเป็นตุ่มไปหาบ้านหาช่องราคาแพงแพงมาอยู่กันหาเสื้อผ้าราคาแพงแพงมาสวมใส่หาอยู่ค้ายายาหาโรงพยาบาลราคาแพงแพงไว้รักษา เมื่อต้องใช้ของแพงๆก็ต้องหาเงินกันมากๆอยากได้เงินมากๆอยากได้เงินง่ายๆอยากได้เงินเร็วๆก็จะต้องไปทําบาป ก, กันไปโกหกหลอกลวงกันไม่ช่อลาดบางหลวงไปขโมยเงินไปโกงเงินของผู้อื่นมากันเพื่อที่จะได้มีเงินมาซื้อความสุขต่างๆกันแต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราว อยู่ได้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่ร่างกายสมบูรณ์ ม, มีตาหูจมกูกเล่นกายที่สมบูรณ์พอร่างกายเริ่มเสือ่อมก็จะไม่หาไม่สามารถหาความสุขเหล่านี้ได้ก็จะเหลือแต่ความทุกข์ใจความว้าเวความเศร้าซ้อยหงอยเหงาความซึมเศร้าจนถึงอยากจะเกิดคิดข่าตัวตายขึ้นมาในที่สุด แต่ตอนนี้พวกเราโชคดีพวกเราได้มาพบกับคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนวิธีที่จะสร้างความสุขหาความสุขที่แท้จริงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่หาความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดที่จะทำให้เราไม่ต้องไปพึ่งร่างกายที่จะทำให้เราไม่ต้องไปเดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเสื่อมไปเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาที่ร่างกายตายไปใจของเราจะไม่มีความเดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องเพึ่งร่างกายอีกแล้วถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่มาเพึ่งร่างกายอันใหม่มาทุกข์กับร่างกายอันใหม่ที่เราต้องทํากันอยู่ในขณะนี้ไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่ได้ไปทานที่พทธเจ้าทรงสอนให้มา คือทำทานมารักษาศีลมาภาวนาจนได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่เต็มร้อยแล้วเราก็ยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆเกิดมากี่ครั้งก็ต้องตายไปทุกครั้งเกิดมากี่ครั้งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกครั้งมีการไม่มาเกิดนี้เท่านั้นแหะที่จะทําให้ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตาย ไม่มีการพักพากจากกันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามาหาความสุขทางใจกันมาทำทานกันมาสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปให้หมดไม่ต้องอาศัยเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆถ้ามีก็มีไว้สำหรับซื้ออาหารซื้อปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายก็พอแล้วถ้ามากกว่า น, นั้นก็เป็นการซื้อความทุกข์มากกว่าซื้อความสุข แล้วก็มารักษาศีลห้ารักษาศีลแดกันแล้วก็มาภาวนากันมาเจริญสติมาควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้ใจสักแต่ว่ารู้ใจก็จะสงบใจก็จะเป็นสมาธิแล้วใจก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ต่อจากนั้นก็ให้ใช้ปัญญาคอยทาลายตันหาความอยากต่างๆที่โผล่ขึ้นมา ให้รู้ว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการเดินไปหาความทุกข์ไม่ใช่เดินไปหาความสุขเพราะความอยากนี้มันจะทําให้ใจเรากดหงิดลาคาญอยู่ไม่เป็นสุขพอมีความอยากขึ้นมาปั๊บความสงบที่มีอยู่จะถูกทําลายไปทันทีถ้าอยากจะได้ความสงบที่ถูกทําลายนั้นคืนไปก็ต้องทําลายความอยากด้วยการไม่ทําตามความอยาก ความอยากจะชวนให้เราไปหาอะไรไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายล้วก็บอกว่าไม่ไปเรามีความสุขทางใจที่ดีกว่าอยู่แล้วไปทําไมอันนี้ต้องใช้ปัญญาเป็นคนคอยสอนใจเตือนใจไม่ให้ไปทําตามความอยากถ้ายังมีความอยากโผล่ขึ้นมาอยู่ถ้าสืนความอยากไปเรื่อยๆความอยากที่โผล่ขึ้นมามันก็จะค่อยๆหมดไปแล้วก็หมดไปในที่สุด แล้วต่อจากนั้นก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความอยากทำลายความสงบของใจได้อีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วเพราะความอยากได้ถูกทำลายไปด้วยปัญญาด้วยการไม่กระทำตามความอยากเพราะรู้ว่าการกระทำตามความอยากนั้นมันเป็นการนำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขนั่นเองอันนี้พอได้มีปัญญาแล้วเห็นโทษของตัณหาของความอยากแล้ว ไม่ก้าทำตามความอยากแล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ใจก็จะสงบไปตลอดสงบอย่างถ้าวไม่มีวันสิ้นสุดความสงบที่ถาวนี่เรียกว่านิพานนิ บ, บานังปรมังสุขขังบรมมังสุขเพราะว่าไม่มีตัญหาความอยากที่จะขึ้นมารบกวนความสงบอีกแล้วเพราะตัญหาความอยากต่างๆได้ถูกปัญญาทำลายไปหมดแล้วนั่นเอง นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาหาความสุขทางใจตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนจะได้ความสุขที่ถาวรจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราตายไปเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ก่อนจะกลับมาเกิดใหม่ก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อนพอผลบุญผลบาปหมดแล้วก็กลับมา เกิดใหม่แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เนี่ยเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทําได้คือทำบุญสละการหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองเลิกเลิกใช้เงินใช้ทองหาความสุขด้วยการไปซื้อสิ่งต่างๆแต่เอาเงินทองนี้ไปบริจาคเอาไปทำทานแทน แล้วเราจะได้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวนเพราะเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขเราก็ไม่ต้องไปหาเงินทองอยู่เรื่อยๆบรยจากเงินที่เรามีอยู่นี้พอหมดแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาเงินใหม่มาทาแล้วเพราะเราพอแล้วแล้วเราก็จะได้รักษาศีลเราจะได้ภาวนาได้แล้วเราก็จะได้ทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ แล้วเราก็จะมีความสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราจงมีศรัท ธ, ธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามปฏิบัติตามคําสอนนี้ให้ได้เถิดเพราะผู้ที่ได้มีศรัท ธ, ธาและได้ปฏิบัติตามนั้นท่านได้บรบรลุผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุมาแล้วนั่นเองก็คือพระอาหารหันต์ตัศวรทั้งหลาย ท่านเหล่านี้ท่านก็เป็นเหมือนพวกเราที่เป็นอยู่ขณะ น, นี้คือท่านก็เคยมีตัณหาความอยากท่านก็เคยมีความหนงที่จะคอยหาความสุขจากการหาเงินทองจากการใช้เงินทองจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่หลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติตาม ทำบุญทำทานแทนที่จะเอาเงินไปซื้ออะไรมาก็เอาเงินไปทำบุญแล้วก็มารักษาศีลมาภาวนาเจ้นในที่สุดใจของท่านก็ดุดพ้นจากความอยากทั้งปวงทําลายความอยากทั้งปวงได้ใจก็สงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาพาาระอรหันต์ตสาวกนี่แหละเป็นผู้ที่ยืนยันคําสอนของพระพุทธเจ้าว่า เป็นคำสอนที่แม่นยาที่ถูกต้องถ้าใครปฏิบัติตามได้จะได้รับความสุขเต็มร้อยเป็นจะได้รับความสุขที่แท้จริงจะได้ยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้อย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เรามีความเชื่อมั่นแล้วพยายามปฏิบัติไปรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับเช่นเดียวกัน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผรอยถ า, าวาเลวาหาปุราปาริโพเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุ ป, ปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิจโต สัพเพโบเรนตุจังกปาจันโทปนะระโสยธามณิชโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัสพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนสีลิสะลิจังวุธาปจายิโน จตารธรรมะวาทานติอายุวนโนสุขังภาลาังยต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญขึ้นมาพูดผ่านทางไมโครโฟนได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติการถามตอบปัญหาอย่าขอถามตอบเฉพาะช่วงนี้ เ, เชิญได้นมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูขอโอกาสนะคะคือมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้หนูรู้สึกผูกพันอยู่กับโลกใบนี้นะคะสิ่งนั้นก็คือความรักค่ะพระอาจารย์สาหรับคนที่เขาไม่สมหวังในความรักอย่างนี้เขาก็ เห็นโทษของความรักว่าเป็นความร้ายแต่คนที่สมหวังในความรักก็ค่ะก็ยังมองว่าความรักนี่มันก็มีแง่ดีของมันอยู่เหมือนกันตรงที่มันมันช่วยทําให้ใจของเรามไม่แห้งแล้งเกินไปแต่ในการปฏิบัติธรรมนะคะมันต้องปล่อยวางทุกอย่างค่ะพระอาจารย์ตรงนี้ต้องฝึกให้รักใครไม่เป็นใช่ไหมคะพระอาจารย์คือขออุบายด้วยค่ะเพราะว่าหนูเองก็ ไม่อยากจะมาเกิดเหมือนกันนะคะมันก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็ต้องสร้างสร้างแฟนใหม่ขึ้นมาแฟนใหม่ก็คือความสงบถ้าเราได้แฟนใหม่เราก็จะมีสิ่งเปรียบเทียบว่าแฟนใหม่เราดีกว่าแฟนเก่าเพราะแฟนเก่าเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวนันพัดพากจากกันไปแต่แฟนใหม่นี้จะอยู่กับเราไปตลอด ถ้าเรายังหาแฟนใหม่ไม่ได้เราก็ยังไม่กล้าทิ้งแฟนเก่าเพราะยังไงจะพากก็ขอให้ภัคกันทีหลังก็แล้วกันตอนนี้ขออยู่ด้วยกันไปก่อนไว้ถึงเวลาภากคก็ค่อยมาว่ากันจะทุกตอนนั้นก็ค่อยมาแก้กันอตตอนนี้ยังไม่อยากจะไม่อยากจะพกักถ้ามีมีแฟนเก่าอยู่ก็ยังดี แต่ถ้าเราหาแฟนใหม่ได้เราก็พร้อมที่จะพากันได้ทันทีดังนั้นวิธีที่จะทำให้เราเลิกกับแฟนเก่าทิ้งแฟนเก่าได้ก็ต้องพยายามหาแฟนใหม่ให้ได้ก่อนการหาแฟนใหม่ก็ต้องไปหาที่สงบไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปเจริญสติให้มากๆเพราะสติจะเป็นตัวที่จะทำให้ใจสงบได้ พอใจสงบแล้วก็ทีนี้ก็จะทิ้งแฟนเก่าได้ไม่รักแฟนเก่าได้พระอาจารย์คะคือมาคิดแบบนี้ขึ้นมา เ, เป็นไปได้ไหมคะที่ว่าอยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเลยคะ่ะแบบว่าแฟนใหม่คือเป็นความสงบแล้วก็มีแอบเก็บความรักไวน้นิดๆอ่างนี้นะคะ่ะพระอาจารย์ออมันก็ต้องใช้ปัญญาถ้ายังมีความอยากจะเก็บแฟนเก่าก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาความจริงว่า เดี๋ยวแฟนเก่าก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายแล้วหรือไม่ฉะนั้นเขาอาจจะเลิกกับเราทิ้งเราไปก่อนก็ได้ถ้าเรามองเห็นความไม่เที่ยงในแฟนเก่ากเราก็จะได้ทิ้งเขาก่อนก่อนที่เขาจะมาทิ้งเราค่ะพระอาจารย์จะจำไว้ค่ะพระอาจารย์ <laughs> คำถามจากทางบ้านจากคุณหิ่งห้อย เขานั่งสมาธิมากเขาบอกว่าเย็นจนต้องไปนั่งกลางแดดจนตัวเกรียมไม่ใช่เขาเสียสติแล้วหรือครับก็คงจะเป็นความรู้สึกของเขาเขารู้สึกอย่างนั้นเขาอยากจะไปนั่งกลางแดดก็ได้เพราะใจสงบนี้มันก็เย็นพอใจสงบเย็นแล้วมันจะไปอยู่ที่ร้อนขนาดไห น, นมันก็อยู่ได้มันจะไม่รู้สึกแดดร้อนเพราะความร้อนมันเป็นความร้อนทางร่างกาย ความทุกข์ทางร่างกายนี่ถ้าเปรียบเทียบปริมาณแล้วมันน้อยกว่าความสุขทางใจจึงทำให้คนที่มีความสุขทางใจนี่ไม่รู้สึกเดือดร้อนกับความทุกข์ทางร่างกายคำถามจากคุณใจบริสุทธิ์ข้อหนึ่งในระหว่างบริกรรมพุโทโธเราจะแผ่เมตตาในขนาดนั้นได้ไหมครับ ทำไมไปแผ่ทำไมเวลานั่งสมาธิต้องการหยุดความคิดหยุดอะไรทั้งยทุกอย่าง เ, าเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาทำอะไรทั้งนั้นมีเวลานั่งสมาธิเป็นเวลาที่เราจะมาหยุดการกรทำทุกชนิดไม่ว่าทางตาทางาทางกายทางวาจาหรือทางใจเราต้องการหยุดมันหมดพอหยุดแล้วใจเราจะสงบเราจะมีความสุขมากถ้าเราไม่หยุดมันก็จะไม่สงบ จะแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่ไปเจอกันต้องมีคนรับความเมตตาของเราเช่นเวลาไปเจอใครก็เอาเงินแจกเขาไปเลยเนี่ยแผ่เมตตาไม่ใช่มานั่งแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอันนี้ไม่ได้แผ่อันนี้เป็นการสวดเป็นการสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาแผ่จริงๆนี่ต้องไปเจอคนที่เราพบปะกัน เห็นใครแล้วก็ยิ้มให้เขานี่เรียกว่าแผ่เมตตาถ้าเห็นแล้วหน้าบึ้งตึงแยกเคี้ยวนี่แสดงว่าไม่ได้แผ่เมตตาถ้าอยากจะแผ่เมตตาต้องรอเวลาไปเจอคนก่อนเจอคนเจอสัตว์เจอสุนัขเจออะไรก็ได้แผ่เมตตาให้ความรักเขาแต่เวลานั่งสมาธินี้ไม่ใช่เวลาแผ่เมตตาเวลานั่งสมาธิเป็นเวลาทําใจให้นิ่งให้สงบไม่ให้ทาอะไร ข้อที่สองการพิจารณากายเราจะกำหนดจิตคิดเห็นหรือเพ่งจิต ด, ดูครับการพิจารณากายก็เป็นการศึกษาความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันสวยหรือไม่สวยถ้าสวยแล้วเวลาที่เขาไม่แต่งหน้าทาปากเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเขาตายไปทำไมไม่ไปอยู่กับเขาถ้ามันสวยมันก็ มันก็สวยปลอมสวยเดียวเดียวสวยบางเวลาเวลาไม่สวยก็มีหรืออยากจะดูความไม่สวยจริงๆก็ลองดูเข้าไปที่ใต้ผิวหนังดูลองดูว่าใต้ผิวหนังมันมีอะไรบ้างใต้ผิวหนังมันก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีอวัยวะอะไรต่างๆมีปอดมีไตมีตับมีหัวใจมีลำไส้เนี่ยถ้าดูอาการ เหล่านี้เราก็จะได้ไม่ไม่เห็นว่ามันสวยงามเราจะได้ไม่ลหลงไหลข้างไครเวลาที่เราเห็นเฉพาะภายนอกมันสวยภายนอกแต่มันไม่สวยภายในยเราต้องการศึกษาเพื่อที่เราจะได้ไม่ลหลงไหลข้างไครกับความสวยงามภายนอกเพราะมันเป็นความสวยงามชั่วคราวมันเป็นความสวยงามที่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไป เดี๋ยวว่ากลายเป็นของที่ไม่สวยงามเราจะถูกหลอกพวดง่ายๆถ้าเราศึกษาเราพิจารณาสภาพของร่างกายมันมีหลายมิติด้วยกันที่เราจะต้องศึกษาเรื่องความไม่สวยงามหนึ่งเรื่องของความไม่ทาวรหนึ่งร่างกายของเราเที่ยงไม่เที่ยงมันจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือมันจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายไป เวลามันแก่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันตายไปเรารับมันได้หรือเปล่าเราทุกข์หรือเปล่าความจริงถ้าเรารู้ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเราจะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าเราไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์มากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์มากเราต้องยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตาย ถ้าเรายอมรับเราก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องของการพิจารณาร่างกายก็คือศึกษาความจริงของร่างกายเพื่อให้เราจะได้ปล่อยวางมันตอนนี้เราไม่ปล่อยเราหลงยึดติดไปยึดไปติดว่ามันเป็นตัวเราเสีเยด้วยซ้าไปความจริงตัวเราไม่ใช่เป็นร่างกายตัวเราอยู่ที่ใจ มารวมกันตอนที่มีปฏิสนธิในคันของแม่เวลาแม่สร้างร่างกายขึ้นมาใจก็มาปฏิสนธิมาครอบครองร่างกายพอร่างกายมาครอบครองใจพอใจมาครอบครองร่างกายใจก็เลยไปคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยหลงไปอยู่ไปคิดว่าเป็นร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่อยากให้เป็น เรไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายก็ต้องทุกข์มากถ้าไม่อยากจะทุกข์มากก็ต้องสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่ใจใจมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือทําอะไรต่างๆเป็นร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นไปกับร่างกายร่างกายแก่ใจไม่ได้แก่ร่างกายเจ็บใจไม่ได้เจ็บร่างกายตายใจไม่ได้ตายเหมือนกับเราดูร่างกายของคนอื่นนี ร่างกายคนอื่นก็เป็นอะไรเราเดือดร้อนหรือเปล่าเราไม่เดือดร้อนเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเราแต่ในร่างกายที่เราคิดว่าเป็นเรามันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นแต่เราไปหลงคิดว่ามันเป็นของเราเราก็เลยไปทุกข์กับมันเราไปคิดว่ามันเป็นเราเราก็เลยทุกข์กับมันเราต้องมาแก้ความเห็นผิดนี้ด้วยการดูจุดเริ่มต้นของการมีร่างกาย การจุดเริ่มต้นที่ใจกับร่างกายมาพบกันมาแต่งงานกันพูดง่ายๆมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปหลงที่ว่าเป็นคนเดียวกันความจริงเป็นสองคนร่างกายเป็นคนใจเป็นคนถ้าใจฉลาดใจก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายถ้าใจหลงก็จะเดือดร้อนกับความเป็นความตาย เรามาศึกษาเพื่อให้เราเข้าใจเพื่อให้เราเห็นว่าเรากับจ้ร่างกายนี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นอะไรนี้มันไม่มาเป็นกับเราแต่เราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยทุกข์กับมันเท่านั้นเองคำถามจากคุณเมธีและคุณวัตสิลิการแช่งคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจโดยไม่แค้นไม่อาฆาาใครพูดแบบไม่ตั้งใจ หรือบางครั้งคิดไปลอยๆโดยไม่ได้เจตนาโดยไม่มีจิตอกุศลจะเป็นบาปไหมครับถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่บาปนะคำถามจากคุณาจาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจากกำหนดลมหายใจขณะนอนมีอยู่สองครั้งที่มีสิ่งคล้ายผ้าห่มสีดำเดือนขึ้นมาจากปลายเท้าคลุมตัวจนเกือบจะคลุมศีรษะ พอจิตไม่นิ่งมันก็หายไปสิ่งนี้คืออะไรและเกิดเกิดเพราะเหตุใดคะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ดับไปให้พิจารณาเพียงเท่านั้นไม่ต้องไปสนใจว่ามันมาจากที่ไหนมันเป็นอะไรให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไปบังคับมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไปทุกข์กับมัน ไม่ต้องไปสนใจว่ามันมาจากที่ไหนมันเป็นอะไรให้รู้ว่ามันไปแล้วมันหมดไปแล้วเราไม่ต้องไปสนใจกับมันถ้าไปสนใจไปอยากรู้ก็จะเกิดความหงุดหยิดลำคาญใจเจ้าก็ต้องต้องมาถามอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรถ้าไม่สนใจมันก็ไม่ต้องไปถามใครคาถามจากคุณซีจินนี่ข้อหนึ่งถ้าคนรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์ ยังไงก็ไม่อยากเกิดอีกแล้วต่างจากพระอาหารหันต์ที่ไปถึงนิพพานไม่เกิดอย่างไรคะคือถ้าเขาไม่รู้เรื่องพระอาหารหันต์สี่จำพวกแต่เขาไม่อยากเกิดนี่คือเขารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์เฉยๆแต่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งก็ไม่หลุดพ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เขายังไม่ได้ทำลายเหตุที่ทำให้มาเกิดเหตุที่ทำใาให้เกิดก็คือความอยากสามชนิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ความอยากี้อยากได้ลาบยศสรรเสริญสุขความอยากให้ลาบยศสรรเสริญสุขไม่เสื่อมถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ขออ้อ2ถ้าไม่อยากเกิดแล้วแต่ลาได้แค่สังโยศสามมาเกิดใหม่ก็ต้องมาเกิดอยู่ในขั้นโสดาบันแล้วปฏิบัติเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆแต่ไม่ลงต่ำกว่าโสดาบันอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ถ้าได้ขึ้นถึงขั้นโสดาบันแล้วก็ไม่เสื่อมลงมามีแต่จะขึ้นไปเรื่อยๆช้าหรือเร็ว อ, อยู่ที่กำลังของการปฏิบัติครัคำถามจากคุณไฟมินิตมีเพื่อนทางธรรมฝากมาถามว่าเพื่อนๆที่มีฐานะที่ชอบไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆกินของอร่อยๆพักโรงแรมหรูๆดูวิวสวยๆเพื่อใช้เวลากับครอบครัว หากมีสติตามรู้จะเป็นการสร้างภพชาติใหม่คะถ้าทำตามความอยากก็เป็นการสร้างภพชาติแนละ้วถ้าอยากจะไปเที่ยวนี่ก็พอไปเที่ยวก็ไปเพิ่มภพชาติขึ้นเพราะมันเหมือนกับติดบุหรี่อย่างเงี้ยพออยากสูบบุหรีพอไปสูบอีกมวนหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีความอยากจะสูบอีกมวลขึ้นมาถ้าต้องการจะตัดภพชาติก็เหมือนกับการตัดบุหรี่พออยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเหมือน เอาบุหรี่ขึ้นมาแล้วก็โยนทิ้งไปอย่างเงี้ยต่อไปมันก็จะเลิกสูบบุหรี่ได้มันก็จะเลิกเที่ยวได้เลิกกลับมาเกิดได้คำถามจากคุณพัชรีคนเรามักมีช่วงเวลาที่ท้อแท้ต้องฝึกอย่างไรคะก็ต้องหัดฝึกให้เป็นปนปสัยจจะท้อแท้ไม่ท้อแท้ก็ทำไปตามหน้าที่ตามเวลาตามตารางเหมือนกับเวลากินข้าวบางวันอยากจะกินบางเวลาก็ไม่อยากจะกิน แต่ก็รู้ว่าถ้าไม่กินเดี๋ยวก็หิวก็ทนกินไปเดียว่าไม่กินอย่างในการปฏิบัติก็เหมือนกับกินข้าวพอถึงเวลาปฏิบัติถึงแม้จะท้อแท้ก็ทําไปเดียว่าไม่ทำํำเพราะไม่ทําแล้วเดี๋ยวมันจะถอยหลังแล้วมันจะทุกข์มากขึ้นสุขมันจะน้อยลงให้คิดอย่างนี้มันก็จะฝืนทําไปเรื่อยๆเหมือนกับการฝืนกินข้าวอย่างนั้นให้คิดว่าการปฏิบัติเหมือนกับการให้อาหารจิตใจก็แล้วกัน เวลาร่างกายต้องการอาหารแต่เราไม่อยากกินเราก็ต้องกินเพราะเรารู้ว่าถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวมันจะทุกข์มากกว่าสุขถึงแม้ว่าเรากินไม่สุขก็อย่างน้อยกินดีกว่ามันจะได้ไม่ทุกข์มันจะได้ไม่หิวเฉันใดเวลาปฏิบัติทอแท้ไม่อยากจะปฏิบัติก็คิดว่าปฏิบัติดีกว่าไม่ปฏิบัติเพราะปฏิบัติแล้วความทุกข์มันจะน้อยลงความสุขมันจะมากขึ้นถ้าไม่ปฏิบัติความทุกข์มันจะมากขึ้นความสุขมันจะน้อยลง คำ ถ, ถามจากคุณวีละวันมีความขยันมากอยากทำงานไม่ยอมเลิกกับความโลภอยากให้ได้ผลมากๆต่างกันไหมคะก็เหมือนกันแ่ะมันก็คือความอยากเหมือนกันอยากทำงานมากๆอยากทำงานมากๆเพื่อจะได้ผลมากๆมันก็เป็นความโลภนันต้องรู้จักประมาณทําอะไรให้มันรู้จักความพอดีคำ ถ, ถามจากผู้ฝากถาม ถ้าเราทำบุญอยากอุทิศ ส, ส่วนบุญให้กับคนที่เคยพูดกันแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็ตายไปโดยที่เราจำหน้าเขาไม่ได้ไม่รู้จักชื่อเราจะอุทิศให้เขาได้อย่างไรคะก็อุทิศแบบที่เราพูดนี่ขอให้คนที่เราจำหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ได้เคยรู้จักกันครั้งหนึ่งที่นั่นที่นี่เขาก็จะรู้ว่าเป็นใครถ้าเขารอส่วนบุญอยู่เขาก็รับไป คำถามสุดท้ายจากทางบ้านนะคะมีคุณลุงที่เขามาปรีกวิเวกเขามีความสงสัยนะคะคือในทุกๆวันเขาจะได้กับข้าวจากพระอาคารหลายๆอย่างแต่คุณลุงเขาก็จะกินไม่หมดแล้วเขาก็จะเอาไปให้คนอื่นนะคะแต่ในใจสิ่งที่เขาอยากได้คือเขาอยากได้กล้วยดิบๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่กล้าจะบอกกับพระเขาก็และเขาก็สงสัยใ น, ในใจว่ามันเป็นกิเลสของเขาหรือเปล่าที่เขาอยากได้กล้วยดิบๆมากินเพื่อประทางชีวิต อะไรเง nice> ี้ยค่ะก็อยากมันก็เป็นกิเลสแล้วอะต้องยินดีตามมีตามเกิดะได้อะไรมาก็ยินดีกับสิ่งที่ได้มาก็จะไม่เป็นกิเลสแล้วควรที่จะพูดกับพระไหมคะก็ไม่ควรนะเพราะว่าพูดไปก็เป็นการการการทําตอบสนองความอยากเราต้องฝืนความอยากกินกล้วยหรือกินอะไรมันก็มันก็อิ่มเหมือนกันให้คิดอย่างนี้ไม่สําคัญมันก็เป็นอาหารเหมือนกัน กินกล้วยกินส้มกินมะละกอมันก็อิ่มเหมือนกันกินเพื่ออิ่มไม่ได้กินเพื่อกล้วยหรือกินเพื่อมะละกอาามหมดแล้ ว, ลวคำถามจากเฟซบุ o กไลฟ์จากคุณกิจ ด, ดาเวลาสวดมนต์จะเกิดอาการง่วงทุกครั้งบางครั้งก็สู้อดทนสวดมนต์จนจบบางครั้งก็สู้ไม่ไหวต้องหยุดสวด น, นั่งสักพักก็หายง่วง ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรครับก็เกิดจากกิเลสนั่นแหละกิเลสมันไม่ชอบสวดมนต์ถ้ามันง่วงน้องเปิดทีวีดูสักพักอยงนี้ก็หายง่วงคําถามจากคุณพัชรีถ้าเราไม่อยากได้ยศตําแหน่งอยากอยู่ในจุดที่ทํางานแล้วสบายโล่งไม่ต้องมียศ ไม่ต้องไปวังวนการแย่งชิงอำนาจอิจฉาริษยาผู้มีตำแหน่งและความรู้สูงใช้อำนาจรังแกผู้น้อยแต่เรายังโดนบังคับให้ไปเพราะมีจุดเดิมไม่ได้โดดเด่นแต่ได้ความสงบทำงานอย่างมีความสุขเราควรทำอย่างไรไม่ให้ทุกเจ้าคะก็มีความสุขเราทำงานโดยสงบมีความสุขเราจะให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่เข้าใจความคำถาม เขาถามประมาณว่าตอนที่ยังไม่ได้มียศก็มีความสุขดีแล้วพ อ, ะอจะได้ขึ้นยศขึ้นยศมันถ้าเราไม่มีความอยากมันก็เหมือนเดิมจะได้กี่ยศก็เป็นเรื่องของของคนที่เขาจะให้ไม่ได้เรื่องของเราให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เราไม่ได้ยินดียินร้ายกับการให้เราก็ไม่เดือดร้อนเราก็สามารถทาตามที่เหมือนกับตอนที่เราไม่มียศอยู่ได้แต่เราก็ต้องเตือนใจว่ามียศก็เหมือนกับไม่มียศ เราเคยทําอย่างไรตอนที่เราไม่มียศเราก็ทํอยางนั้นต่อไปเราไม่ไปหลงไปยึดติดกับยศมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรถ้าไปยินดีดีใจกับการได้ยศมันก็จะหวงยศมันก็จะกลัวเสียยศพอเกิดเวลาเสียยศขึ้นมาก็จะเสียใจหรือเวลาเห็นคนเขามียศมากกว่าเราก็อยากจะมีมากกว่าเขาก็จะทํำให้เกิดความอยากขึ้นไปได้งันขอให้เราทําใจเฉยๆไว้ ได้ได้มาหรือไม่ได้มาก็เฉยเฉยไม่ยินดียินไล่ถือว่าเท่าเดิมไม่ได้ไม่เสียคําถามจากคุณยอ่อขายเหล้าเบียร์บาปไหมครับขายไม่บาปแต่เป็นอาชีพที่ไม่ควรทําเพราะว่ามันส่งเสริมให้คนเเสพอบายามุขที่อาจจะไปทําให้เขาทําบาปต่อไปได้แล้วก็อาจจะกลับมาทําบาปกับเราก็ได้ เหล้าเมาแล้วเขาอาจจะมาขาโมยของที่ร้านเราก็ได้เะฉะนั้นอย่าไปส่งเสริมการเสพอบาอยามุกเพราะเป็นการส่งเสริมให้คนทําความชั่วทําบาปต่อไปคําถามจากคุณเสริมศักเคยใส่บาตกับแม่ค้าที่ทําชุดใส่บาตขายตอนเช้าพอจะจ่ายตังค์เขาบอกให้ไปใส่ก่อนค่อยมาจ่ายอย่างนี้เราต้องแบ่งบุญให้เขาด้วยใช่ไหมครับ ไม่เกี่ยวกันเนี่ยเาเป็นคนขายของเราไปซื้อของมาใส่บาตรไม่ต้องแบ่งบุญเขาอยากจะได้บุญเขาก็ใส่บาตรของเ้าเองไปคำถามจากคุณสามารถขอกุศโลบายการเพิ่มความอดทนหนักแน่นของจิตครับก็ต้องมีสติฮะถ้ามีสติแล้วใจก็จะไม่วอกแวกใจจะไม่หวั่นไหวใจจะนิ่งเฉยเวลาใจหวั่นไหวก็ให้ บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็เน่งสงบแล้วก็จะไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆคำถามจากคุณวาสนาเวลาเราปฏิบัติแต่เวลาไม่ตรงกันจะเป็นอะไรไหมคะคือประมาณว่าเช้าสายบ่ายเย็นแล้วแต่ว่าเราจะว่างคะ่ะเวลาไหนก็ได้ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ปฏิบัติไป ขอให้ปฏิบัติให้มากๆเท่านั้นเองยิ่งมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเหมือนกับการที่เราไปเอาเงินไปขนเงินเนี่ยขนได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีใช่ไหมถ้าธนาคารก็เปิดตู้เซฟอนุญาตบอกใครต้องการเงินก็ไปเอาได้เลยเนี่ยคุณจะไปเลือกเวลาเอาเ่ <c oughs> คุณก็รีบเลยน่ะทำให้มันท ธรรมะมันมีค่ายิ่งกว่าเงินทองเส่ไหมทำไมต้องมาเลือกเวลาเอายิ่งทําได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีคําถามจากคุณด็อร์ลอนนิพานจริงๆเป็นอย่างไรครับมีวิธีปฏิบัติให้เห็นพระนิพานครับนิพานก็คือใจที่สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆวิธีที่จะทําให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ก็เกิดจากการทําทางรักษาศีลภาวนา จะ ต, ต้องทําแบบเต็มร้อยทําทานก็ต้องทําเต็มร้อยรักษาศีลก็ต้องรักษาเต็มร้อยภาวนาก็ต้องภาวนาเต็มร้อยถึงจะสามารถกําจัดกิเลสได้หมดสิ้นไปถ้าทำร้อยละสิบก็กําจัดไปได้ร้อยละสิบถ้าทำร้อยละห้าสิบก็กําจัดได้ร้อยละห้าสิบมันอยู่ที่ปริมาณของการกระทําของเราทําทานเต็มร้อยทํำยังไงก็มีเงินเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปให้หมด จะได้ไปรักษาศีลได้เต็มร้อยเช่นคนไปบวชนี่คนไปบวชนี่เขาสละเงินทองหมดทิ้งให้ลูกให้ลูกภรรยาไปเขาไม่ยุ่งกับเงินทองเขาจะได้มีเวลาไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์รักษาศีล2องได้เต็มร้อยไปบวชเราก็จะมีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบจะิญปัญญาเพื่อตัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้เต็มร้อย คนที่จะได้นิพพานนี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นนักบวชหรือถ้าไม่เป็นนักบวชก็ต้องปฏิบัติแบบนักบวชอยู่แบบนักบวชนะถึงจะมีเวลาที่จะสามารถกำจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้อย่างสิ้นเชิงคาถามจากคุณสะละอาจคนที่ล่ำรวยแต่ไม่ค่อยทำทานหรือมีเมตตามาจากการทำกรรมใดไว้ครับ กงเข้ามาก็ได้คนที่รวยเพราะความโกงก็ได้คนที่รวยเพราะมีความรู้ความฉลาดก็ได้การจะรวยนี่มันมีหลายวิธีหาด้วยวิชาความรู้ด้วยวด้วยอาชีพที่ซื่อสัตย์สุดจริตก็รวยได้ทามาค้าขายแล้วก็พอดีไปขายของที่มีเราขายคนเดียวไม่มีใครมาเป็นคู่แข่งก็ขายดิบขายดีบางคนขายเข็มกลัดอันเดียวยังเป็นมาเศรษฐีได้ เพราะไม่มีใครรู้จักทำเข็มกลัดมาก่อนพอเขาเป็นคนทําเข็มกลัดเขาก็ไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์นะรจะทำก็ต้องมาจ่ายค่าลิขสิทธิ์เหมือนซอฟต์แวร์สมัยนี้ Microsoft ก็เป็นคนผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมาคนแรกการจะใช้คอมก็ต้องซื้อซอฟต์แวร์ของเขาเขาก็รวยขึ้นมาอย่างมหาศาลเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกได้อันนี้ก็เกิดจากการมีความรู้เกิดจากมี มีโชคมีจังหวะที่ไปมีไปขายสินค้าที่มีความต้องการของคนจํานวนมากเขาก็รวยขึ้นมาได้รวยแบบนี้ไม่มีโทษเพราะไม่ได้ไปทําบาปถ้ารวยแบบไปช่อราดบางหลวงไปไปเป็นนายกไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็เอาใต้โต๊ะมาทีละห้าสิบล้านร้อยล้านอย่างนี้เรียกว่ารวยด้วยการทําบาป อันนี้จะมีโทษตามมารวยชนิดนึ้งก็รวยเพราะบุญเก่ามาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินอันนี้เขาถือว่าเป็นบุญเก่าพามาให้เกิดดังั้นวิธีที่จะร่ำรวยนี่มีหลายวิธีด้วยกันคำถามจากคุณศรัทธาถ้าเรานั่งแต่สมาธิไม่เดินจงกรมได้ไหมคะได้จะทำไงก็ได้ ที่เขาเดินจงกรมมันก็นั่งสมาธิสลับกันเพราะว่าเขาปฏิบัติทั้งวันไงถ้าเราปฏิบัติแค่ชั่วโมงเดียวนี่มันไม่ต้องไปเดินนั่งนั่งชั่วโมงหนึ่งมันยังไม่เมื่อยแต่เวลาที่นั่งนานสองสามชั่วโมงนี่มันจะเมื่อยแล้วอยากจะปฏิบัติต่อพอลุกขึ้นมาก็เดินเดินปฏิบัติการปฏิบัติเหมือนกันคือถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปพุโทโธในท่านั่งพอออกจาก ถ้านั่งมาเดินก็พุโทโธต่อไปเรียกว่าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ต้องเปลี่ยนิริยาบทเพราะว่าร่างกายมันจะพิกลพิการได้ถ้าเรานั่งอยู่ในท่าเดียวนานเกินไปต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบทอันนี้จะเหมาะกับผู้ที่ปฏิบัติเป็นมืออาชีพคือปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนจะต้องมีการสลับการเดินกับการนั่งแต่สําหรับคนที่สมัครมือสมัครเล่นนี่ปฏิบัติวันละชึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี้ก็ ไม่่่ต้ออองงงเดงงงเดดิยยวานัีก็พคำถามจากคุณภูเมื่อทำทานเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานแล้วผมอุทิศให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องบางคนก็เอ่ยชื่อบางคนก็ไม่เอ่ยชื่อไม่ทราบว่าเขาเหล่านั้นจะได้รับทุกท่านไหมครับเ ข, เขาต้องเป็นผู้ที่ร่วงรับไปแล้วแล้วสองเขาต้องอยู่ในฐานะของขอทานคือไม่มีบุญติดตัวไป พวกที่มีบุญตุดตัวไปเขาก็จะไปเป็นเทวดาไปเป็นเศรษฐีบุญพวกเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญเพราะบุญที่เราส่งไปนี้เป็นเหมือนเงินที่เราให้ขอทานเอาเงินที่ให้ขอทานไปให้เศรษฐีเ้าก็รู้สึกเฉยๆเช่นเราเอาเงินให้เศรษฐีร้อยล้านส่งไปให้ก็ร้อยบาทนี้เขาจะรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกเฉยๆแต่ถ้าเราส่งร้อยบาทไปให้ขอทานนี้เขาก็จะดีใจ เงินอุทิศนี้เป็นเงินเงินให้ขอทานเราส่งไปได้ไม่ไม่มากได้ร้อยละนิดร้อยละไม่ถึงหนึ่งมั้งเงินที่เราทําบุญทั้งหมดเนี่ยจะส่งไปให้ผู้ที่ร่วงรับไปได้นิดเพียงเที่ยวเดียวท่านเองเพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่จะทําได้มากไปกว่านั้นนั้นแต่ส่งไปได้อุทิศได้ถึงแม้จะไม่เอ่ยชื่อแต่ขอให้เราพูด ถึงความสัมพันธ์ของเรากับเขาก็แล้วกันว่าเขาเป็นใครกับเราเป็นญาติพี่น้องเป็นปู่ย่าตายายแค่นี้มันก็จะรู้แล้วว่าเป็นใครแล้วพอถ้าก็ารอรับอยู่เขาบอกว่ากูเป็นปู่ของมันเว้ยก็รับไปคำถามจากคุณวาสนาการปฏิบัติถ้าเราเคยทำวันละสองชั่วโมงแล้ววันหนึ่งเราอาจจะมีเหตุอะไรที่ทำให้เราปฏิบัติได้แค่หนึ่งชั่วโมง จะเป็นอะไรใหม่คะก็กินข้าวน้อยไป็นมือหนึ่งไงเคยกินสองมือแล้วก็ลดเหลือมือหนึ่งมันก็อิ่มไม่มากเท่ากับกินสองมือถ้าอยากจะชดเชยก็คราวหน้าก็ปฏิบัติสามชั่วโมงมันก็จะได้กลับคืนมาเท่าเดิมคำถามจากคุณเมธินี <c oughs> เคยนั่งสมาธิในห้องพระพอนั่งสักพักก็มีเสียงคนถอนหายใจอยู่ข้างๆ เลยลืมตามองก็ไม่เห็นอะไรเลยนั่งหลับตาสมาธิต่อแต่อีกสักพักก็มีเสียงถอนหายใจอีกเลยอุตทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ด้วยความกลัวเลยหยุดนั่งสมาธิจะทําอย่างไรถึงจะนั่งต่อไปได้อีกโดยไม่ต้องกลัวคะก็ไม่ต้องสนใจจะเป็นเสียงอะไรก็ช่างหูมันแล้วก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆรอใจสงบแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองไม่มีเป็นหามันไม่เป็นโทษเป็นภัยกับเรา แต่มันจะมาทำให้เรากลัวได้และทำให้เราเสียเสียการปฏิบัติไปได้เะฉะนั้นเราต้องไม่ไปให้ความสำคัญกับมันให้รู้ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้นอกจากเราไปกลัวเขาแล้วทำให้เราหยุดการปฏิบัติของเราไปเท่านั้นเองเฉะนั้นอย่าไปสนใจใจะเห็นก็ดีจะได้ยินก็ดีก็ให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันเราไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้เขาจะมาก็มาเขาจะไปก็ไป ถ้าเราไม่ไปสนใจเขากับเขาเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเราเราแค่อยู่กับการภาวนาของเราต่อไปคำถามจากคุณสหัสพลอยากได้ของดีๆไปทำบุญแต่กำลังทรัพย์ไม่ถึงถือว่าเป็นการไม่รู้จักประมาณตนใหม่ครับก็ทำไปตามกำลังของตนมีอะไรเท่าไหร่ก็ทาไปเท่านั้นถึงแม้ไม่มีเลยก็ไม่ต้องทำเรามีบุญอย่างอื่นที่สูงกว่ามากกว่าการทาทาน ก็ไปรักษาศีลแทนก็ได้ถ้าไม่มีเงินทําบุญรักษาศีลห้าได้หรือเปล่าอถ้ารักษาศีลห้าได้ดีกว่าทําบุญดีกว่าทําบุญร้อยล้านพันล้านถ้ารักษาศีลห้าได้ตายไปไม่ไปอบายถ้าทําบุญร้อยล้านพันล้านแต่รักษาศีลห้าไม่ได้ตายไปก็ยังต้องไปอบายอยู่าถามจากคุณนิติภูมีอุบายที่ทําให้จิตใจไม่ท้อถอยต่อการภาวนาหรือเปล่าครับ ก็ทำไปเรื่อยๆเท่านั้นเองทำไปแล้วก็ทำให้ถูกแล้วก็จะมีผลปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีความรู้สึกท้อใจคำถามจากคุณนกพระพุทธเจ้าท่านกล่าวกับพระอานนท์ว่าธรรมของพระองค์รู้ได้ยากผู้ที่จะเข้าถึงธรรมได้ต้องใช้เวลาแสนกับหมายความว่าอย่างไรครับ ก็เป็นคนที่จะต้องมีปัญญาที่จะเห็นคุณค่าของธรรมของพระพุทธเจ้าการที่จะมีปัญญานี้ก็จะต้องใช้เวลามากต้องศึกษาไปเรื่อยจะต้องถึงแสนกลับหรือไมน่นี่อันนี้ไม่แน่ใจไม่ทราบว่าสิ่งที่พูดมานี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพูดหรือเปล่าเพราะเป็นครั้งแรกที่เราได้ยินเราก็เลยไม่อยากที่จะ ตอบเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเอาคําถามผิดมาให้เราตอบแล้วแล้วตอบผิดไปแล้วชวย <c oughs> ฟังแล้วมันก็เราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ามันถูกว่าเปล่าเพราะว่าคําสอนพระเจ้านี้เข้าใจยากจริงอยู่แต่ก็ไม่สุดวิสัยสําหรับผู้ที่ฝ่ายรู้ถ้าฝ่ายรู้หมั่นฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆตอนต้นฟังก็ไม่รู้ไม่เข้าใจาภาษาพระไม่เข้าใจอะไร ทำไหนเราไม่เข้าใจแล้วก็ไปเปิดพจนานุกรมดูไปหาดูว่าความหมายมันเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าเราสนใจฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาไปเดี๋ยวไม่นานเราก็จะเข้าใจเราเข้าใจแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของคําสอนพระพุทธเจ้าว่าเป็นคําสอนที่จะทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างจริงจังนั้นก็อยู่ที่ความความพยายามที่จะฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาไปเรื่อยๆ แล้วเดี๋ยวก็จะได้เข้าไปอกเข้าใจแล้วก็จะาสามารถที่จะใช้ธรรมของพระพุทธเจ้ามาดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราได้คำถามจากคุณธรรมชาติตั้งใจอยากทำสมาธิแต่พอปฏิบัติจริงง่วงมากๆเหมือนไม่พร้อมปฏิบัติแต่ตั้งใจพอปฏิบัติก็จะหลับให้ได้ต้องแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ ส่วนหนึ่งก็คือเรารับประทานอาหารมากเกินไปเพศฉงคารว่านี้มักจกรับประทานอาหารมากเกินกับความต้องการของร่างกายอิ่มแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดรับประทานขอให้จานนึ่งอย่างเี้ยอันนี้เรียกว่ารับประทานตามความอยากพอมันรับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายมันก็จะทําให้ง่วงนอนไดง่ายกินอิ่มแล้วก็อยากจะนอนกันเะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้จะต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารลง ท่านถึงบอกให้ถือศีลแปดคือไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้ไม่รับประทานมากจะได้ทําให้ไม่ง่วงนอนเวลามานั่งสมาธิถ้ายังง่วงอยู่ก็ต้องลดลงไปถึงแม้ว่ากินไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วก็อาจจะกินเพียงมื้อเดียวแทนที่จะสองมือ้อก็เอามือาม้อเดียวถ้ามื้อเดียวยังง่วงก็ต้องลดให้เหลือครึ่งหนึ่งกินแค่ครึ่งจานถ้ากินจานหนึ่งแล้วมันยังง่วงก็ลดกินแค่ครึ่งจาน ถ้ามันยังง่วงอีกก็อดไปเลยก็ได้อดไปสักวันสองวันรับรองได้หายง่วงคำถามคำถามจากคุณสระอาจคนที่ชอบอธิษฐานขอพรจากพระพุทธลูกหรือองค์เทพต่างๆแล้วก็ได้ผลตามที่ต้องการนั้นเป็นผลมาจากอะไรครับเ อ, อเป็นผลเพราะว่ามันฟนุ้งไงอ๋อดีมันถึงเวลาจะได้ก็ดีเราไปอธิษฐานมันก็เลยได้ ความจริงไม่อธิษฐานมันก็ได้พอดีเป็นเป็นจังหวะที่มันตรงกันแต่มันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลคือถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลมันต้องขอทุกทีต้องได้ทุกทีแต่ถ้าขอคนนี้ได้คราวหน้าขอแล้วไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลมันเป็นจังหวะที่มันพอมามามามาเจอกันพอดีพออยากได้ก็ไปขอเมื่อก็ได้พอดีก็เลยคิดว่าการขอนี่เป็นเหตุที่ทาให้เราได้ ตามจริงมันจะได้มันก็ได้มันมีเหตุทําให้เราได้อยู่แล้วจะไปขอหรือไม่ไปขอมันก็ได้ครับเพราะว่าการขอนี่มันถ้ามันขอได้ทุกคนก็เป็นม า, าเรษสีกันไปทุกคนแล้วในชะ่ไหมใครไม่อยากจะเป็นม า, าเศรษฐีมานะถ้าขอจากพระพุทธรูปเป็นม า, าเศรษสีได้ปัณฑนี้ก็ไม่ต้องมาทํางานกันให้เหนื่อยใครอยากจะไปนิพพานก็ไม่ต้องมาปฏิบัติกันให้เหนื่อยไปขอพระพุทธรูปขอให้ไปพ้นนิพพานในวันนี้เกิดนี้เลยนะ พอขอปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยถ้ามันได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องมาเหนื่อยกันไม่ต้องมานั่งฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญให้ทานมาอะไรกันไปนั่งอธิษฐานกันอย่างเดียวไปขอกันอย่างเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เป็นศาสนาขอเป็นศาสนาธรรมคือต้องทำถึงจะได้ต้องทำเหตุถึงจะได้ผลการขอนี้ไม่มีวันได้เพราะพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนให้ขอคำว่าอธิษฐาน ความหมายที่แท้จริงนี่ไม่ได้แปลว่าขอความหมายของอธิษฐานคือแปลว่าความตั้งใจตั้งใจทำเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราต้องการถ้าเราต้องการไปพระนิพพานเราก็ต้องตั้งใจที่จะทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานเองคําว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจตั้งเป้าไม่ใช่เป็นการขอมันมา มันมากลายเป็นคําขอขึ้นมาเพราะความเข้าใจผิดไม่ได้ศึกษาคาสอนฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่าที่ฐานคือการการตั้งใจตั้งใจที่จะทำเหตุที่จะทำให้ผลที่เราต้องการเกิดขึ้นมาหมดแล้วยังไม่ไมคะ่ะอ่าวว่าต่อไปคำถามจากคุณสิริวันเวลาเราโดนดุเราต้องวางจิตเฉยใช่หรือเปล่าคะ ก็เฉยด้วยแล้วก็ต้องฟังด้วยเหตุผลด้วยเพราะว่าการดุนี่มันเหมือนกับเป็นการชี้ขุมซ้ําให้กับเราถ้าเขาบอกสิ่งที่เราบกพร่องอย่างเงี้ยเราไม่รู้แล้วพอเรารู้เรามาแก้ไขความบกพร่องในตัวเราก็จะหายไปมันเหมือนกระจกส่องหน้าเราเนี่ยก่อนที่เราจะออกจากบ้านนี่เราดูกระจกกันหรือเปล่าใช่ไหมแต่ไม่เราไม่กลัวกระจกดุว่าให้หน้าไม่สวยเลยเ เราจะดีใจแต่ว่ราะหน้าไม่สวยต้องรีบแก้แล้วต้องทำให้มันสวยกว่าก่อนที่จะออกจากบ้านเนี่ยคนที่เขาดูเขาดา่าเราถ้าเขาพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจริงนี่เขาเป็นเหมือนกระจกสองหน้าเราอย่าไปกลัวเขาเราควรจะยกมือไหว้เขาขอบใจเขานะเพราะถ้าไม่มีเขาเราจะไม่รู้ว่าเราสวยหรือไม่สวยแต่มีเขาเราจะรู้ว่าเธอยังไม่สวยนะเธอยังงอนอยู่นะเธออย่างงอนนะต่อไป พอเราเนื่องงนต่อไปก็จะสวยขึ้นมาเองคําถามจากคุณพินแทนการวิรัตติศีลหมายถึงอะไรเจ้าคะวิรัติศีลอ่ะวิรัตแปลว่าการถือศีลโดยที่ไม่ได้สมาทานคําว่าวิรัตก็คือการละละเว้นการกระทําบาปเช่นเรามังสาวิรัตก็หมาย่อมว่าเราละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์ศีลวิรัตก็คือ เรารักษาศีลด้วยการละเว้นการกระทำบาปอันนี้เราสมมติว่าเราไม่มีเราไม่ได้ไปวัดหรือวไปวัดเขาไม่มีการสมาทานศีลกันเราก็วิลัษต์กันขึ้นมาเองคือตั้งใจคิดขึ้นมาว่าวันนี้เราจะไม่ทำบาปข้อนั้นข้อนี้ก็เรียกว่าวิลัษต์คือการละเว้นการกระทำบาป ก, กับนักก า, ารทัศอาจารย์ด้วยความเคารพครับคือ ยาวหน่อยนะครับพอดีเกิดไปเนเ็งขึ้นมาเอาชั้นๆดูกายยายาเลยคือ <ười> ฟังครับผมเอ่อพอดีว่าภาวนาด้วยการใช้พุทโธมาตลอดนะครับแล้วก็มีความสงบบ้างไม่สงบบ้างหลังๆนี้ก็เลยรู้สึกท้อใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ก้าวหน้าแล้วก็พอดีได้ช่วงคข้าภาษานี่ก็เลยงดอาหารเที่ยงนะครับหลังๆเที่ยงก็จะไม่ทานแล้วก็ได้ภาวนาก็ยังเกิดอาการฟุ้ง พอเกิดาการฟุ้งขึ้นมาเราก็มานั่งคิดว่าในเมื่อมันฟุ้งเนี่ยเราก็คิดให้มันเป็นธรรมได้ดีกว่าไหมก็เลยมานั่งพิจารณาเรื่องธรรมเรื่องพมวิหารสี่แล้วก็มาดูกายพอมาดูกายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดูตั้งแต่กรรมาฐานหนะครับก็รู้สึกว่ามันสมาธิตอนนั้นมั น, มนลดแล่นเร็วแล้วก็กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยมันมันรู้สึกสงบเย็นร่มนะครับแล้วก็รู้สึกว่า เอ๊ะหรือว่าเราจะมาจริตในทางที่พิจารณามากกว่าที่จะเป็นสมถะหรือเปล่าครับก็เลยคําถามว่าจริงๆแล้วคือต่อไปนี้เราควรจะเดินปัญญามากกว่าสมถะถูกต้องไหมครับมันก็ยังไม่รวมอยู่ดีไม่ใช่นะืวรวมหรือเปล่ามันนิ่งเปล่ามันหยุดคิดหรือเปล่ามันเกิดเบขาได้ครับอาจารย์ครับเบินแค้วดานไหนนะแบบนิ่งสงบครั บ, แ, บ, บแต่ไม่ถึการรวมอมันก็ยังไม่รวมนะครับก็ยังไม่ถึงใช่ไหมครับก็ยังไม่ถึงครับ มันต้องรวมแล้วร่างกายหายไปปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหมดไนมันถึงจะรวมจริงครับแล้วตอนนี้เราควรจะใช้พิจารณาหรือว่าใช้สมถะมันเดินก็แล้วแต่นะแต่วิธีที่จะที่จะรวมส่วนใหญ่เขาให้เพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวไม่ให้คิดคิดยังไงมันก็ไม่มีวันรวมครับนอกจากมันจะรวมเวลาที่มันไปเจอข้อสอบหนักๆเช่นไปเจอความตาย่เงี้ยคนเอาปืนมาจอ่อศีรษะแล้วล็อ อพิจารณาไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราถึงเวลาต้องตายแล้วยอมตายเนี่ยพอยอมตายปั๊บทีนี้มันรวมแน่ๆมันทิ้งร่างกายจริงๆออย่างนั้นถึงจะเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิถ้ามานั่งพิจารณาในขณะที่ไม่มีเหตุการณ์มันไม่รวมหรอกเพราะมันยังไม่ได้เจอของจริงมันเหมือนชกกระสอบทรายถ้างั้นกิรคือเราควรจะเดินสมถะเพื่อจะให้รวมก่อนใช่ไหมครับก็แล้วแต่เจริแล้ะมันต้องมีสติที่ทําจิตให้รวมเอ ถ้าจะรวมก็ถ้าจะใช้ปัญญาก็ต้องไปเจอเหตุการณ์จริงไปเจอเสือต่อหน้าต่อตาแล้วก็ยิ้มให้มันที่อยากจะกัดก็กเอาเลยพี่ตอนนี้สติไปทางปัญญามากกว่าครับอาจารย์ก็แล้วแต่ไง <c oughs> ก็คุณจะไปทางไหนก็ไปถ้าคุณทางปัญญาคุณก็ต้องไปหาผีหาเสือเนะี่ยมันถึงจะรวมรถ้าคุณนั่งอยู่ในบ้านไม่มีวันรวมหรอกไม่มีวันปล่อยร่างกายได้คขอ บ, บ, บคุณครับ มีผู้ฝากถามมาหนึ่งคำถามค่ะเขาบอกว่าขอให้พระอาจารย์แนะนําวิธีที่จะไม่กลัวตายค่ะก็ให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆชักวันเองมันก็จะเข้าใจว่ากลัวยังไงก็ต้องตายกลัวก็ทุกข์ถ้าไม่กลัวก็ไม่ทุกข์มันก็จะเลิกกลัวเองคํถาถามจากคุณธรรมชาติขณะปฏิบตัติการดูลมหายใจดูจิตและความเจ็บปวดในร่างกายพร้อมกัน พอได้ระดับความสมดุลกันจิตใจสบายลมหายใจสบายความเจ็บปวดก็หายไปปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่เจ้าคะก็ถูกต้องแต่ต้องลองทำบ่อยๆต้องไปเจอความเจ็บเยอะๆนากว่าดูว่าจะยังจะทำได้าคำถามจากคุณโทมิจิตรวมไม่มีกายจำเป็นต้องหูดับไหมคะก็ไม่มีกายมันก็หายไปหมดน่ะมันก็ไม่ได้ยินเสียงมันไม่ได้รับรู้ทางทวารทั้งห้า เดือแต่ผู้รู้สักแต่ว่ารู้อยู่ตามลำพังคำถามจากคุณพัชราดิฉันนั่งภาวนาจิตรวมสงบพอดีคนที่บ้านปิดประตูเสียงดังมากดิฉันสะดุง้งเจ็บข้างในเหมือนโดนกระแทกขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะก็ยังไม่สงบเต็มที่ยังรับรู้เสียงอยู่พอเสียงอะไรมาดังกระทบจิตมันก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ไปก็เลยทาให้เกิดอาการขึ้นมาดังที่เป็นอยู่ ก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันไปที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปผ่านไปแล้วก็ผ่านไปข่าวหน้าก็หัดฝึกสติให้มีเข้มข้นมากขึ้นให้มันนิ่งให้มันเฉยได้มากขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะไม่มันจะไม่สะเทือนตอนแสดงว่าสติเรายังมีมกําลังไม่เต็มที่คำถามจากคุณจิรัตการนั่งสมาธิไปเรื่อยๆแล้วตกผวังขึ้นมาความคิดหยุดไป แล้วรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวขึ้นมานั่นหมายถึงสมาธิรวมแล้วรวมลงแล้วใช่ไหมครับทําไมรู้สึกตัวขึ้นมาไห่แปลว่าความรู้สึกตัวหายไปนะแล้วค่อยมารู้สึกตัวใหม่ถ้ามารู้สึกตัวใหม่ก็แสดงว่าหลับไปนี่มันต้องมันต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มารู้สึกตัวขึ้นไม่เข้าใจพูดอย่างนี้ถูกว่าเปล่าแสดงรู้สึกตัวขึ้นไหมขึ้นจากความไม่รู้สึกตัวใช่ไหม ถ้าขึ้นเกิดอยากการไม่รู้สึกตัวก็แสดงว่านั่งหลับไปแล้วค่อยมารู้สึกมาตื่นขึ้นอีกทีค่อยมารู้สึกตัวขึ้นอย่างนี้แสดงว่าสมาธิหลับหับตื่นๆคําถามจากคุณอไทยขณะได้ขนาดนั้นได้แต่เฝ้าดูรู้เฉยๆโดยไม่ลืมตาทําถูกต้องไหมคะทั้งๆที่อยากลืมตาดูว่ามันคืออะไร ถ้าเราภาวนาก็อย่าไปสนใจกับอะไรให้เราภาวนาไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเข้าสู่ความสงบไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นอะไรคืออะไรถ้าเราลืมตาปั๊บเราก็จะเสียสมาธิเราก็จะไม่เข้าสู่ความสงบได้เพราะเราดึงใจออกมาทางตาเสียแล้วเราต้องการดึงตาดึงใจออกจากทางตาเข้าไปข้างในแต่พอเราลืมตาก็เท่ากับเราดึงใจออกมาทางตามันก็จะไม่สงบ คำถามจากคุณแอนการมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันในกิจกรรมที่ทานั้นเราต้องมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนที่จะสนใจกับสิ่งที่เรากำลังทาอยู่ใช่ไหมคะก็อันเดียวกันเนะี่ยร่างกายกำลังทาอะไรก็อยู่กับการกระทำของร่างกายกำลังกินข้าวก็ให้อยู่กับการกินข้าวกำลังอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ำไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจอยู่ในปัจจุบัน เวลานั่งสมาธิถ้าใจอยู่ในปัจจุบันมันก็จะรวมได้ถ้ามันไปอดีตไปอนาคตมันก็จะไม่รวมเหมือนกับเวลาที่เราจะเอาเข็มเข้ารูเอ า, เอาด้ายเข้ารูเข็มเนี่ยถ้ามันไปทางซ้ายของรูก็เข้าไม่ได้ไปทางขวาของรูก็เข้าไม่ได้มันต้องไปตรงกลางของรูจิตก็เหมือนกันจิตมันมีอดีตมีอนาคตมีปัจจุบันถ้ามันไปอดีตมันก็ไปทางซ้าย ถ้ามันไปอนาคตมันก็ไปทางขวามันก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ความสงบมันต้องเข้าอยู่ตรงกลางคือระหว่างอาดีตกับระหว่างอนาคตก็คือปัจจุบันงั้นจิตต้องไม่คิดเรื่องอดีตไม่คิดเรื่องปัจจุบันอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นถ้าอยู่กับลมหายใจอย่างเงี้ยอยู่กับพุทโธอย่างเงี้ยเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ คำถามจากคุณมกดากรณีที่พระมียศเรียนเอายศอย่างนี้ก็หมายความว่าอยากมีความอยากไหมคะก็หลงไงมาบวชนี่มาหลงกระติดกับลาบยศสารแสนไม่รู้ว่เป้าหมายของการบวชเพื่อการละความหลงละความอยากต่งตงตงางๆคำถามจากคุณวาปี การสร้างกุติพะอานิสงส์มีมากไหมครับก็เป็นเหมือนการใส่บาตรเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ใส่บาตรก็ได้ถวายผ้าก็ได้ถวายยาก็ได้เป็นอยู่ในกลุ่มทานถ้าเป็นเงินก็เป็นธนบัตรใบละยี่สิมันไม่ใช่เป็นธนบัตรใบละร้อยถ้าอยากให้ได้ธรรมนัตธนบัตรใบละร้อยก็ต้องไปรักษาศีลห้าถ้าทำทานก็จะได้ ธนบัตใบละยี่สิบถ้าอยากจะได้ธนบัตรใบละร้อยก็ไปรักษาสีลห้าถ้าอยากจะได้สินธนบัตรใบละห้าร้อยก็ไปนั่งสมาธิกับรักษาศีลแปดถ้าอยากจะได้ธนบัตรใบละพันก็ให้ไปเจริญปัญญาพิจนะารณาอสุภะพิจนาะอนิจังทุกขังอนัตตาล้วก็จะได้ธนบัตรใบละพันหมดแล้วใช่ไหมอ้าวมีเย อ, อะ เอาอีกสองสามคำถามก็แล้วกันนะเพราะหมดเวลาคาถามจากคุณชุตินันต์การรักษาวิรัติติศีลแล้วบุญเท่ากันกับสมาทานศีลไหมคะเท่ากันมันอยู่ที่การรักษาไงถ้าเราไม่ทำบาปโดยที่เราสมาทานแน้วเราโดยที่วิรัตมันก็เหมือนกันมันอยู่ที่ตัวกระทำตัวที่ไม่กระทำถ้าเราไม่ทำบาปมันก็เหมือนกันจะมาสมาทานก็ได้จะวิรัตก็ได้เหมือนกัน คำถามจากคุณเป๊กเวลาผมนั่งสมาธิแล้วบางทีรู้สึกตัวจะลอยขึ้นบางทีตัวก็จะใหญ่รู้สึกหนักต้องกําหนดหรือทําอย่างไรครับไม่ต้องไปสนใจมันเป็นความรู้สึกที่มันหลอกเราความจริงมันไม่ได้เป็นไปทั้งที่เราคิดที่เรารู้สึกถ้าเราอยากจะพิสูจน์ก็ลืมตาขึ้นมาดูเวลามันพองมันลอยมันลอยจริงหรือเปล่าพองจริงหรือเปล่าเราจะได้รู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่ต้องมาสงสัย แล้วต่อไปเวลามันรู้สึกเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลกับมันให้เราอยู่กับการภาวนาของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความรู้สึกต่างๆมันก็จะหายไปเอง อ, อีกสองคาถามคําถามจากคุณมินนี่การที่เราปฏิบัติธรรมอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วรู้สึกสงบมากไม่ต้องยุ่งกับใครไม่อยากรู้เรื่องคนอื่นพูดในสิ่งที่ควรพูดแก้ไขในเรื่องที่คนอื่นช่วยแก้ไขได้ แต่กังวลเรื่องพ่อแม่ตัดความกังวลไม่ได้สักทีรู้สึกเห็นแก่ตัวที่หนีมาปฏิบัติธรรมจะบาปกับพ่อแม่ไหมคะอ๋อไม่บาปหรอ ก, การมาทําบุญนี่เป็นการทําบุญให้กับพ่อแม่ด้วยเพราะว่าถ้าเราทําตัวเป็นคนดีพ่อแม่ก็มีความสุขเห็นเราเป็นคนดีเห็นเรามีความสุขดีกว่ารเราไปเที่ยวไปกินเหล้ า, มาเมายาจะทําให้พ่อแม่ทุกข์นี่ไม่เป็นการกระทําบาปเป็นการกระทําที่ดี และอาจจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่ต่อไปเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติทำได้ต่อไปพ่อแม่อาจจะมาปฏิบัติร่วมกับเราก็ได้คำถามนึง่งคำถามสุดท้ายจากคุณกรลาวีนะคะมีความสงสัยว่าแล้วทำอย่างไรให้จิตรวมได้ล่ะคะนอกจากไปหาเสือเพราะที่นั่งจิตนิ่งอย่างเดียวค่ะก็ถ้าเราถ้าเรานั่งนิ่งก็ไม่ต้องไปหาเสือในกรณีที่คนที่ น, นั่งมนิงต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาความตายก็ต้องไปหาความตายแล้วมันถึงจะปล่อยวางร่างกายได้พอปล่อยวางให้ยอมให้ร่างกายตายไปมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อันนี้พูดถึงกรณีที่คนต้องการใช้ปัญญาอบรมสมาธิมันต้องใช้ปัญญาใช้ในขณะที่มีเหตุการณ์จริงเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องโปรงต้องวางจริงๆมันถึงจะสงบได้ แต่ถ้าเราใช้ปัญญานั่งคิดอย่างตอนนี้คิดว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่มีวันรวมเพราะมันไม่มีอะไรมาบังคับให้เราปล่อยมันไม่มีความทุกข์ต้องมีความทุกข์เราเห็นโทษของความทุกข์ว่าเกิดจากความยึดติดในสิ่งที่เราลักเราหวงในสิ่งที่จะต้องจากเราไปพอเรายอมปล่อยในสิ่งที่เราลักเราหวงพอปล่อยไปปั๊บจิตเราก็สงบเข้าสู่ความสงบได้หายทุกข์ได้ อันนี้ในกรณีสำหรับผู้ที่ต้องใช้ปัญญาก็ต้องไปหาความจริงถ้าพิจารณาความตายก็ต้องไปหาความตายมันถึงจะสงบได้แต่สำหรับคนที่ไม่ต้องพิจารณาใช้พุทโธพุทโธนี่เขาก็ไม่ต้องไปนั่งอยู่ที่ไหนเขาก็จิตรวมได้พอรวมได้มันก็สงบเหมือนกันต่างตรงที่ว่าถ้ารวมด้วยปัญญานี่มันจะรวมแบบถาวรมันจะไม่มีมันจะสามารถเข้า สความสงบในระดับนั้นได้อย่างถาวร อ, ออกมามันก็ยังจะมีความสงบแบบนั้นอยู่แต่ถ้าเข้าด้วยพุโทโธพอออกมาเดี๋ยวมันก็จางหายไปประโยชน์ต่างกันตรงนั้นถ้าสงบด้วยปัญญานี่มันจะสงบไปตลอดถ้าสงบด้วยสตินี่เดี๋ยวมันจางหายไปได้หมดแล้วใช่ั้ยเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าก็ได้เวลา